ขอความสันต um ah uh. ิ ความจเจริญเจ้าอัลลอฮ์ได้โปรดประสบเด็กพี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาทักซิณในวันนี้ทุกท่านวันนี้เนื้อหานะครับอยู่ในซุลฮหยยูซุฟอายะที่หกสิบสามถึงอายะที่หกสิบหกสี่อายะนะครับซุลฮหยยูซุฟหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกสี่อยะนะครับวันนี้ทำไมคนมันเยอะละ่ะ ปกติไมเยเยอะขนาดนี้เนื้อหาเนี่ยนะครับคนที่ยังเพิ่งเข้ามาใหม่จะเล่าโทนิดนึงเราศึกษาตบทีนะครับของซุราะยูซุปนะซุลาะยูซุปเนี่ยลักษณะมันพิเศษต่างจากซุราะอื่นๆก็คือเป็นชีวประวัตินะบียูซุปลน้วน สุรัตที่เป็นชื่อนบีมีสุรัตมุฮัมมัดสุรัตนัวสุรัตยูนุสอ่านีน่ชื่อนบีนบีหลายสุรัตแต่ว่าลักษณะาการนําเสนอโคงของเรื่องเนี่ยไม่เหมือนสุรัตยูซุปเรื่องอื่นเนี่ยนะครับบางทีมีนบีคนนั้นนบีคนนี้ตัดไปตัดมานะแต่สุรัตยูซุปเป็นชีวประวัติล้วนๆของนบียูซุปเรียงตามลาดับเลยนะครับตั้งแต่เด็กนะไล่มา เนื้อหาในวันนี้พี่น้องมาถึงตอนไหนแล้วคร่าวๆถึงตอนที่พี่น้องเนี่ยนะครับมีความอดอยากเกิดขึ้นแล้วก็ทำไมละ่ะเดินทางมาขอสัเบียงที่อียิปต์กับนบียูซุปจำนบียูซุปไม่ได้แต่นบียูซุปจาพี่น้องทุกคนได้ทั้งหมดนะตอนที่มาเนี่ยให้อาหารกลับไป นะครับแล้วก็ให้สัมภาระกลับไปด้วยโดยตั้งเงื่อนไขว่าคราวหน้าถ้าจะมาอีกต้องพาน้องมาด้วยน้องคนสุดท้องก็คือบินยามีนเป็นน้องพ่อแม่เดียวกันกับนบียูซุพพี่น้องนบียูซุพเนี่ยมีสิบเอ็ดคนนับนบียูซุพด้วยเป็นสิบสองนะครับเสิบคนเนี่ยพ่อเดียวกันแต่คนละแม่มีเฉพาะบินยามีนน้องคนสุดท้องไอจูเนี่ยนะครับเไอจูนะ อจูบินยามีนเนี่ยพ่อแม่เดียวกันกันกบนบียูซุฟแม่เดียวกันมีแค่สองคนนบียูซุฟกับบินยามิยนตัง้งเงื่อนไขว่าคราวหน้าถ้าเจะเาสะเบียงทําไมเอย่ยต้องพาน้องมาด้วยไม่งั้นจะไม่ให้สะเบียงเหตุการณ์มาถึงตรงนี้นะครับในอายาที่หกสิบสามได้สะเบียงเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําไมเอย่ยเดินทางกลับไปหาท่านนบียากรุบอะเลฮิสซาดะท่านนบียากรุบอยู่ที่ไหนดูแถวปาเลสไตน์ นาไยูซุปตอนนี้อยู่ที่ไหนคุมกองคลังอยู่ที่อียิปต์นะถ้าดูแผนที่เนี่ยใช้ได้เหมือนกันหลายกิโลเหมือนกันการเดินทางในสมัยก่อนพี่น้องต้องคิดเผื่อไปด้วยนะครับว่าเอโดยพหาหนะมันช้ากว่านั้นแล้วหน้ำซ้ำําขากลับยังต้องมีแบกสะเดียรกลับไปอีกไม่ใช่ง่ายนะครับอันก็อ่านแล่าว่าฟดัดมมาราอูอิลาอาบีหิน เมื่อพวกเขานั้นทำไมเอ่ยกลับไปหาพ่อของพวกเขาพวกเขาในที่นี้ก็คือพี่น้องนะมียูซุกสิบคนนะตอนจะมาเนี่ยมาสิบคนมาเยอะเพราะว่าที่อียิปต์เนี่ยตั้งกฎไว้ว่าสเสบียงที่ให้คิดตามหัวจะมาคนเดียวเราบอกว่าอ๋อฉันพี่พี่น้องอีห้าคนขอห้าสวนได้ไหมไม่ได้มาเท่าไหร่ให้เท่านั้นคิดตามหัว ก็เลยพามามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็คือสิบคนถามว่าทําไมไม่มาสิบเอ็ดคนเพราะต้องทิ้งคนหนึ่งไว้ดูแลพ่อซึ่งอายุมากแล้วถ้าทิ้งไว้สองคนก็ดูแลพ่อได้ดีเหมือนกันแต่ว่าอไอสัดส่วนสเสบียงก็จะน้อยลงฉะนั้นมากที่สุดแม็กซิมัมสิบคนหนึ่งคนต้องเหลือไว้ดูแลพ่อนะ เดินทางมาหยิบสิบคนมีน้องนึกผ่าดูแล้วก็ขากลับพร้อมสเสบียงเดินทางกลับไปหาพ่อเมื่อกลับไปหาพ่อแล้วคือท่านนบียะกุบอเลิสซลามก็รูยาอาบานาโ อ, โพอา้พ่อจ๋าพ่อของเรานะมูนีอามินนาอันไกลเราเนี่ยถูกห้าม การตวงเนี่ยนะครับการให้อาหารสเบียงในรอบต่อไปถูกห้ามฟซินมอาณาอคอาดังนั้นจงส่งน้องไปกับเราน้องในที่นี้คือบินยามีนนักตัลเมื่อส่งไปแล้วอันนี้เป็นจยวาวบนะครับส่งไปแล้วทำไมเอ่ยเราก็จะได้สเบียงได้ครับการตวงโออินนาลหูละาฟิูนเราจะดูแลเขาเอง จะดูแลบินเยเมนเองนะกว่าเล่าไว้สั้นๆถ้าสังเกตดูพี่น้องจะเห็นได้ว่าเอ่อตอนที่พี่น้องเนี่ยกลับไปหาท่านนาบียะกูบอะดัลฮิสซาลามเนี่ยเล่ารายละเอียดให้ฟังเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะได้รับการตอบรับที่อิบอย่างไงได้สเสบียงอย่างไงแล้วก็มีเงื่อนไขอย่างไงนะครับสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างนาบียะกูบกับลูกที่เหลือ ต้องมองต่อไปอย่ามองแค่ความหมายสั้นๆนะท่านอบดยกู์ุเนี่ยเคยเสียใจครั้งหนึ่งสิบคนนี่แหละรับปาก็จะดูแลท่านอบดุยูซุปเอาไปเล่นเอาไปวิ่งกันแล้วตอนเด็กๆเนี่ยปรากฏว่ายูซุปหายแถมทาไมเอโกโหกด้วยว่าถูกหมาป่ากินแลน้วนับดยกู์กุก็ทราบด้วยว่าโกหกเพราะหลักฐานคือเสื้อเนี่ยทำไมล่ะเสื้อมันไม่ขาด หมาป่ากินนาย บ, บิยูซุปที่เป็นเด็กนะเสื้อเปื้อนเลือดเอามาให้พอนี่หลักฐานว่ายูซุปถูกหมาป่ากินแต่ว่าเสื้อไม่ขาดหมาป่าทอเสื้อก่อนแล้วก็กินยูซุปกินเสร็จก็เช็ดปากอาะไรคือเป็นไปไม่ได้น บ, บิยังกูทราบไหมทราบทราบกว่าสิ่งที่พี่น้องมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่จริงยูซุปไม่ได้ถูกหมาป่ากินแต่ว่าด้วยกับอะไรบางอย่างยูซุปไปได้กลับมาแล้ว พี่น้องสิบคนทำอะไรบางอย่าง ก, กับยูซุปเพื่อให้ยูซุปไม่กลับมาระยะเวลาผ่านไปหลายปีมากพี่น้องเราเคยประมาณการกันไว้ว่าเอตรงนบียูซุปเนี่ยห่างจากพ่อกี่ปีนะยี่สิบปีขึ้นเพราะว่าต้องคิดบวกในคุกเนี่ยเกือบสิบปีทศนะมีตั้งห้าปีเจ็ดปีสิบสองปีนะแล้วก็มาเนี่ยมาทำหน้าที่ในการดูแลครั้งเนี่ย นะครับเจ็ดปียังต่ำพราะเป็นเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์นะอันนี้ปีที่แห่งแร้งแล้วปีที่สองเขาว่าการเป็นเก้าปีคุกกี่ปีไม่รู้ประมาณสิบปีตีคร่าวๆปฏิบัติหน้าที่อีกเก้าปีสิบเก้าปีแล้วแล้วยังไม่นับไอตอนที่เด็กๆที่อาซิสนางสุริคอซื้อตัวมาแล้วก็เลี้ยงจนเติบโตยี่สิบขึ้นเพิ่มเปสามสิบปีเด็กคนหนึ่งหาจากพ่อเปน้อง สามิบปีสามสิบกว่าปีเด็กเล็ก ๆ, ๆเลยนะนบีน้องห่างจากพ่อไปสามสิบกว่าปีความรู้สึกนะบียูซุฟเป็นยังไงนะได้รับการทดสอบขนาดไหนทดสอบตั้งแต่เป็นเด็กคราวนี้นะบียะกุบกลับมาที่ประเด็นต่อนะบียะกุบเคยเสียใจสามสิบปีที่แล้วตีเพิ่งไปนะเพราะว่าเนี่ยเคยทําไว้รับปากว่าจะดูแลน้องแล้วไม่ดูแลให้ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นยังไงเรื่องราวดมีชีวิตนะํามาเป็นคนมันมีชีวิตพี่น้องเคยทําอย่างนี้กับน้องคนสุดท้องน้องรองคนสุดท้องแล้วพ่อโกรธไหมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับพี่น้องกับลูกๆในในครอบครัวเป็นยังไงเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดนะครับในอายัตัวอ่านนี้เนี่ย เราเห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวของนวิยากรุ๊กับบิดาลูกๆยังคงมีอยู่พ่อมีการบอกเล่าข่าวาวกันไปอียิปเป็นยังไงไม่ใช่ไม่พูดกันเลยไม่มองหน้ากันเลยมีความสัมพันธ์พ่อลูกอยู่เล่าให้ฟังเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เ อ, อ่อถ้ารอบหน้าก็ยังไปได้นะอียิปยังแจกสเสบียงอยู่แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเอาน้องมาด้วยเป็นการสนทนาของของสมาชิกในครอบครัว เวลาจะต้องสิอะไรที่มันไม่เด็อยู่ในตัวบทมันยากนะตาถามว่านาบียุสนบีะกุ ก, กับลูกๆเป็นยังไงหลังจากเสด็ น, นบียุซุบไปแล้วพูดอยากนะแต่ว่าพยายามมองเห็นเอ๊ะก็ อ, อ่านพยายามสะท้อนอะไรออกมาในาย้ายเทวสิบสามสะท้อนความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวยังมีการพูดคุยกันอยู่ขนาดไหนว่ารออหลับนะครับอา้าวนิพพาบอกหนะ้าสิบคนเดินทางกลับมาพอสบียงเราให้พ่อฟังพูดคุยกัน เป็นภาพในครอบครัวต่อมาในอายะห์ที่64นะครับแต่อายะห์ที่63เมื่อกี้บอกว่ารอบหน้าถ้าอยากได้ซาเบียงบินยาบินต้องไปด้วยเพราะว่าขุนขังรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็อึดตั้งเงินไขไว้ถ้าบินยาบินไม่มาไม่ได้ซาเบียงพอบอกแบบนี้กับน บ, บียากุน บ, บียากุปก็กล่าวว่านะครับอยู่ในอายะห์ที่64 ก็เละนบิยากุก่าวว่าฮันอามานนกุม阿拉ฮีทำไมเอ่ยจะให้ฉันเนี่ยเชื่อต่อพวกท่านนะอิลลากมาอามินตุกุมล拉อะคีฮีมินกอบลุเหมือนกับที่เคยเชื่อต่อพี่ของเขา ในสมัยก่อนใช่ไหมวันนี้พี่น้องกลับมาพูดประโยคเดิมที่พูดไว้เมื่อสามสิบปีที่แล้วสามสิปีสามสิบกว่าปีที่แล้วเคยบอกว่าพ่อปล่อยยูซุปไปเที่ยวไปเล่นกับเราเถอะและเราจะอินนาลาหูลาฮาฟิซูนพูดเหมือนกันเลยเราจะดูแลยูซุปเองแต่ผลลัพธ์ยูซุปหาย หายไปสามถึงกว่าปีเป็นตายร้ายดีพ่อไม่ทราบเลยเสียใจถึงทุกวันนี้แถมรวมหัวกันด้วยนาสิบคนมาโกหกพ่ออีกนะเพราะถูกม้าป่ากินแล้ววันนี้เนี่ยผู้ประโยคเดียวเลยส่งบินยามีนไปกับเราเถอะอินนาลหูลาฮาฟิซูลเราจะดูแลบินยามีนเองตอนพูดจำได้หรือเปล่าไม่ทราบแต่นบียากุ๊ปจำได้ไม่ลืมวันนี้จะให้เชื่อคาพูดเดิมหรอ ตะก่ อ, อนก็เคยพูดแบบนี้เนี่ยกับน้องคนหนึ่งไว้แล้วผลเป็นยังไงจะให้เชื่อเหมือนเดิมใช่ไหมนะอ า, อาอะคีฮิมินกอบลูกก็คือน้องคนที่สิบเอ็ดเคยพูดแบบนี้แล้วเป็นยังไงวันนี้น้องคนสิบสองจะทำเหมือนเดิมใช่ไหมฟุลลอหุเคยุนฮาร์ฟิจอฮวันอารามูราฮมินนะครับ น บ, บียะกูบอกว่าอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้รักษาผู้ปกป้องที่ดีที่สุดโต้กับลูกลูกบอกว่าเรานั้นละฮาฟิซูนจะดูแลเองน บ, บียะกูบอกว่าคนที่จะดูแลปกป้องดีที่สุดคืออัลลอ์พวกท่านไม่ได้รับความไว้วางใจเหมือนแต่ก่อนเคยพูดเคยสัญญาแล้วก็ททำไม่ได้ฉะนั้น คนปกป้องดีที่สุดคือคนที่รักษาสัญญารักษาคำพูดดีที่สุดคือเรานะในตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องสิ่งที่นบียะกูุสอนเนี่ยให้แง่คิดกับเราะนะทุกวันนี้เราอยู่กันเนี่ยมันมีคกว่าสิ่งที่ว่าเครดิตนึกออกไหมพี่น้องเรากู้เงินได้อ้าวมีเครดิตเอาบัตรไปคำใช้บัตรเครดิตยืมตังค์กันได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางทีก็มีการผิดสัญญาสัญญาไปแล้วทํามได้นะสองคมผู้เสียเยอะเนี่ยเรื่องเองินเรื่องทองกันเนี่ยนะครับเยอะนะเสียหายสูญเสียกันเยอะมนุษย์ด้วยกันเนี่ยบางทีรักษาไม่ได้นะนมียากูบบอกว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่รักษาดีที่สุดฉะนั้นเวลาที่กูาอ่านสัญญาไว้กวูาอ่านถือเป็นคำพูดของอัลลอฮ์นะว่าเราอัลลอฮ์สัญญาไว้รักษาสัญญา ทำดีแล้วได้เข้าสวรรค์พี่น้องถ้าคนอื่นพูดในเลื่อนลอยมากแต่ผมพูดพี่น้องทำความดีกับผมนะผมจะให้สวรรค์เลื่อนลอยมากเชื่อได้ไหมเชื่อไม่ได้ให้ตอนไห น, นให้ตอนตายตายไปแล้วเป็นไงก็ไม่รู้เชื่อไม่ได้ใครพูดก็เชื่อไม่ได้แต่ว่าอัลลอ์พูดเนี่ยอัลลอ์เป็นใครลุนฮาฟิซออัลลอ์เป็นผู้รักษาที่ดีรักษาคาพูดรักษาสัญญาที่ดีที่สุดอัลลอฮ์บอกว่าขอดัอากับฉันสิ ฉันจะตอบรับคําขอของพวกท่านอาลัลลอฮ์สัญญาต้องขอดูอ่านทําดีสิใช่เข้าสวรรค์อลัลลอฮ์พูดอลัลลอฮ์รักษาสัญญาพระเจ้าสัญญากับมนุษย์ไม่ง่ายนะแต่อลัลลอฮ์สัญญาหลายครั้งในอายะฮ์กุรอานให้ทําแล้วอลัลลอฮ์จะเป็นใครอุนฮาฟิซอเป็นผู้รักษาสัญญาที่ดีที่สุด ว, วะฮุอะฮามุราฮิมินนะครับอลัลลอฮ์มีสองลักษณะ จริงมีลักษณะเยอะแยะไปหมดนะในอญญายันนี้ยกมาสองอันหนึ่งเป็นฮัฟิสเป็นผู้ที่รักษารักษาสัญญารักษาคำมั่นสิ่งที่สัญญาไว้กั บ, บาวาพระองค์ตอบแทนให้นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นราฮีมีนเป็นผู้ที่มีความเมตตานี่คืออัลลอฮ์ดีกว่าแต่พี่น้องสิบคนเนี่ยหนึ่งสัญญารักษาไม่ได้สองความเมตตก็ไม่มี เพราะถ้ามีความเมตตาจริงนบียูซุฟไม่เป็นแบบนั้นทําไมต้องอิจฉาน้องทําไมต้องขาดจัดน้องออกไปจากครอบครัวทําไมต้องมาโกหกใส่พ่อไม่ทํำคนเดียวนะ ท, ทําทีเป็นทีมสิบคนรวมหัวกันคุยกันวางแผนกันคนนี้ไปขอพ่อคนนู้นทํานู่นทนํานี่ไม่ได้มีความเมตตาแต่อัลลอฮ์มีทั้งฮะฟีซันทาราฮีมาเปลี่ยนต่างให้เห็นระหว่างมนุษย์กับกับอัลลอฮ์ ต่อมาครับในอายะห์ที่หกสิบห้าลามาฟาตูฮฺเมื่อพวกเขาเปิดเหตุการณ์กันเล่าต่อไปมาตาอาหุมเปิดอะไรอ่ะเปยามเปิดดูสัมภาระของพวกเขา ว, ว่าจะดูบิดออาตุหุ่มรุดดัตอิัยฮิมพบว่าทําไมเอย่ยสัมภาระของพวกเขาเนี่ย ถูกส่งกลับมาหาพวกเขาเหตุการณ์ประวัติความเปยูซุปช่วงนี้เนี่ยพี่น้องออมีคนอธิบายไว้หลายแบบคือที่บอกว่าบีดอสส่งกลับมาหาตัวเองเนี่ยส่งกลับมาหาพี่น้องในยูซุปเนี่ยเป็นยังไงจากการประมวลเนี่ยเราเห็นว่าหนึ่งพี่น้องสิบคนไปเนี่ยได้ซาเบียงกลับมาแค่นี้ไอ้สัมภาระที่ส่งกลับมาเนี่ยมันคืออะไร บางคนบอกว่าเป็นสิ่งของที่จะเอาไปแลกกับสเบียงอียิไม่ได้ให้ฟรีแต่ต้องเอาสิ่งของเอาทรัพย์สินอะไรก็แต่ไปแลกสเบียงมาอา้าวจริงๆสเบียงไอสัมภาระตรงนี้เนี่ยต้องไม่ได้กลับมาถือว่าแลกข้าวเพราะได้ได้สเบียงกลับมาแต่ว่าถูกส่งกลับมาอันนี้เป็นความเข้าใจที่หนึ่งบิดอ้อสัมภาระตรงนี้ทรัพย์สินตรงนี้เอาไปแลกกับข้าวแลกกับสเบียงน่าจะไม่ใช่ข้าวกินได้กันก็นแล้วแต่นะครับ อันนี้คือความหมายที่หนึ่งนะเออบางคนมองว่าบีดออาตัวนี้ความหมายคือเงินเงินตาในสมัยนั้นเอาไปซื้อสเสบียงแต่ว่านาบิยูซุปส่งกับส่งตังกลับมาก็คือไม่คิดตังฟรีคำถามเ อ, อ๊สมัยนั้นมีมีเงินใช้เราไหมเป็นสังคมแกนแรกเปลี่ยนที่เฉยหรือว่ามีเงินตาใช้กันแล้วที่เราทราบก้า ว, ว, วคือตอนที่นบยูซุถูก ถูกดึงขึ้นมาจากบอลตอนเด็กๆ เ, เนี่ยนะครับมีการค้าขายด้วยดอลิม oh ด้วยราคาที่เล็กน้อยก็อ่าันเล่าราคาที่เล็กน้อยกว่าเราอาัดลำเป็นหน่วยเงินใช่ไหมเป็นสิ่งของด้วยค่าใช่ไหมพวกเราอาัดลำมันไม่มีอะไรชัดๆไงความหมายตีได้หลายแบบต่อมานะครับบางคนอธิบายว่าเป็นคล้ายๆเงินทอนคือสัมภาระที่ส่งไปเนี่ย ไปแลกกับส บ, บียนจะถูกตีค่าว่าสัมภาระเท่านี้จะได้ส บ, บียงเท่ากับเท่าไหร่นะครั้นี้สัมภาระที่ส่งไปเนี่ยมันไม่ได้มีหน่วยย่อยซื้อสิบเก้าบาทให้แบงยี่สิบทอหนึ่งบาทไม่ใช่เป็นสึ่งว่าเป็นเป็นขันทองคําแล้วก็ถ้ามูลค่ามันไม่ถึงจะส่งคืนยังไงเนี่ยมันยากนะบางคนอธิบายว่านี่คือสัมภาระซื้อ มูลค่าเกินจากราคาสเสบียงยูซุปส่งกลับมาแล้วแต่นะครับการอธิบายเนี่ยอธิบายได้หลายแบบบางคนบอกว่าที่ยูซุปส่งกลับมาทําไมเอ่ยเป็นความเมตตาเห็นว่าทําไมเอ่ยน้องยังไม่ได้มาพ่อแก่ก็เลยส่งอเ น, นี่ยสินค้าบิดอ้อกลับมาตีความได้หลายแบบมากนะครับตอนเด็กๆ เ, เวลาเราฟังประวัติอับดุลยูซุปมาถึงตอนนี้เนี่ยเอตกลงข้าวน่ะได้ แล้วละบิววดาอา้อที่ถูกส่งกลับมาเนี่ยมันคืออะไรคือเงินคือสิ่งของคือเงินทอนคือคิดฟรีๆให้หรือว่าอล้วนรออาลับนะครับนตัปเซตก็มีหลายทัศนะเหมือนกันอย่างไรกันแล้วแต่เปิดสัมภาระ ข, าขึ้นมาถ้ามีทัศนะหนึ่งเขาบอกว่าอีทัศนะหนึ่งนะบอกว่านาบียากรุเนี่ยตอนที่ลูกเล่า เรื่องราวให้ฟังมาเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วนบียะกู๊บเนี่ยถามถึงสัมภาระที่ที่เอาไปปรากฏว่าลืมลืมว่าที่ไหนสักแห่งในอียิปต์แต่ว่าเปิดหอสัมภาระขึ้นมาปรากฏว่าสัมภาระถูกส่งคืนมาก็แปลว่าถ้าเข้าใจตางนี้แปลว่าไม่ใช่เอาไปแลกสเสบียงเป็นสิ่งของที่ลืมไว้แต่ว่าที่อียิปต์เนี่ยความปลอดภัยสูงมาก มีความน่าเชื่อถือสูงมากแม้กระทั่งคนเดินทางไปขอสเสบียงลืมของไว้ส่งกลับมานะถ้าพี่น้องกลับไปดูอายะที่62ในสัปดาห์ที่แล้วนาบิยูซุบวรกอลหริอพิทยานีสั่งกับเด็กครับใช้ว่าอิจอาลูบิดอตุฮุมฟีริฮาลิฮมิมสั่งเด็กรับใช้ว่าให้เอาสัมภาระตรงนี้เนี่ยไปใส่ในหีบห่อกระเป๋าเดินทางของของขอุมพี่น้องสิบคนนี้ นะลืมใช่ไหมแล้วแบญสุบราบก็ให้คนรับใช้เนี่ยเอาสิ่งของส่งคืนกลับมาพวกเราอะหลาทะนับเมื่อกี้เนี่ยมีประมาณสี่ห้าทศานะฐแหละังไรกันแล้วแต่เปิดมาเปิดทอสเสบียงเป้ย่ามกระเป๋าอะไรกันแล้วแต่นะครับละ ม, มาฟัตวมูมาตาอหุมว่าจะดูบิดาอาหุมรุ ด, ดัดอีไลทิมปรากฏว่าพบสัมภาระของตัวเอง นะจากอายานี้เนี่ยนะครับนักตับเสืยอธิบายว่าเป็นการพบโดยโดยโดยเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าจะได้สิ่งของตัวนี้กลับมาแต่เปิดแล้วเจอกลับมาเป็นของที่ลืมไว้เป็นของที่ไปแลกเปลี่ยนตอนที่เดินทางกลับมาไปนอกจากอียิปมาถึงบปรเลสตาเนี่ยไม่ทราบเลยนะของอยู่บนหลังลาหลังอูดอะไรกันเลยแต่ไม่ทราบเลยว่า ได้สิ่งของกลับมาคิดว่ามีแต่ซาเบียนกลับมาสิ่งตรงนี้มันน่าจะหายไปแล้วน่าจะเป็นค่าแลกเปลี่ยนไปแล้วเพิ่งจะมาเจอตรงนี้เนี่ยคุยกับพ่อคุยไปคุยมาถึงบ้านเสร็จเปิดดูพ่อกดว่าเอา้าสิ่งของได้ได้คืนกลับมาเป็นเซอร์ไพรส์คืนแบบกระทันหันทราบแบบกระทันหันว่าเอา้าได้คืนกลับมาด้วยนะครับก็ลูกหลังจากเห็นตรงนี้แล้วพวกเขาก็กล่าวว่า ยาอาบานามานดับกีฮาดีมานดับกี่หยุดตรงนี้ดีกว่าอย่าความหมายมันจะเพี่ยนนะครับก็รู้ยาบานามานดับกีโอ้พ่อเราจะเอาอะไรอีกนะนบียูซุปเนบี่น้องถ้าบี่น้องดูประวัติตั้งใจอ่านประวัติจะทราบนบียูซุปเป็นคนที่ความฉลาดในลึกซึ้งมีฉลาดแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ฉลาดแบบความฉลาดมันมีหลายแบบนะความจําดีนบียซุความจําดีาาจดําได้หมดพี่น้องสิบคนนะจำนบียูซุประด่าสสิกว่าปีจากกันมานาบีซุเหตุปุ๊บจำได้ปั๊บนี่คือพี่น้องความจําแบบจำแปบบ๊บจําแม่นดี่มีแล้วก็มีความลึกซึ้งในความคิดมากนาบียซุตอนที่ออกจากคุกในสัปดาห์ที่แล้วเราเล่าให้ฟังนบียซุละเอียดอ่อนไม่ออกจนกว่าคดี สมัยก่อนเนี่ยเจะเคียจะมีความบริสุทธ์ยูซุปเข้าคุกไม่ใช่เพราะรั่วกเกินหรือว่าทรายศต่ออาซิสเจ้านายตัวเองไปปั่มสวยคอไม่ใช่ถ้าไม่เคียไม่ออกจากคุกนะนพียูซุปเป็นคนที่สามารถบริหารจัด ก, การนําอียิปตินแดนอียิปทั้งหมดคนทั้งหมดเนี่ยรอดพ้นจากความอดอยากวางแผนไวยพี่น้องนอกจากนี้เนี่ยช่วยคนอียิปแล้วยังช่วยคนรอบข้าง พี่น้องน บ, บียูซุฟไม่ใช่คนีหยิบนะหยิบจะไม่ให้สับเบียงก็ได้เป็นคนที่อื่นแต่ว่าด้วยกับการจัดการของน บ, บียูซุฟมีสับเบียงพอเลี้ยงคนในแผ่นดินตัวเองได้แล้วก็พอที่จะแจกจ่า ย, ายพี่น้องนึกภาพไปหยิบสมัยนั้นน บ, บียูซุฟเวลาเราพูดถึงน บ, บียูซุฟเนี่ยพูดถึงความรอถูกไหมล่ะตอนเด็กๆผมฟังน บ, บียูซุฟนึกถึงอะไรอันดับแรกรอผู้หญิงเห็นว่าม่เฉียนนิ้วตัวเองแต่ว่า ไม่ได้มองว่าบทบาทนอับดุยซุ์ที่ยิ่งใหญ่มากก็คือการช่วยให้คนจำนวนมากไม่อดตายในช่วงปีที่มีความอดอยากไ ม, ไม่ได้ช่วยเฉพาะคนในครอบครัวตัวเองนะคนอื่นๆทั่วสารัทิตมุ่งหน้าไปที่อียิปต์หมดเป็นที่เดียวที่มีสเสบียงเก็บไว้ที่อื่นไม่มีนี่ผลงานอับดุยซุฟตรงนั้นถือว่ายิ่งใหญ่มาก นะครับนบียูซุฟรอไม่รอนะแต่ว่าวันนี้จําเพิ่อมอีกแบบหนึ่งก็คือว่าช่วยคนจํานวนมากรอดพ้นจากการอดอยากไม่อดตายยิ่งใหญ่นะของเวลาอดจริงจริงพี่น้องมีเงินมีทองไม่มีค่าเลยจะเอาแค่อาหารเงินยกงกินไม่ได้ทองก็กินไม่ได้เพชรก็กินไม่ได้นี่คือนบียูซุฟเป็นคนมีความสามารถนอกจากนี้พี่น้องดูนบียูซุฟกะไว้เลยตรงตามที่กะวางแผนไว้ ตั้งเงื่อนไขกับพี่น้องสิบคนว่ารอบหน้าจะมาต้องเอาบินเยมินมานาบียูซุบทราบเลยว่าสิบคนเนี่ยวันลาไปขอพ่อพ่อไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้ทำไมละ่ะพ่อตัวเองโดนมาแล้วคดีเก่ายังไม่เคลียจะขอบินเยมินไปยังไงก็ไม่ได้วิธีที่จะเพิ่มความมั่นใจก็คือแสดงว่าคนอียิปต์เนี่ยเป็นผู้ที่ไว้ไวไวใจได้ ให้สะเบียงแล้วมีสัมภาระส่งคืนกลับมาด้วยพอเปิดดูเนี่ยเป็นหลักฐานเลยพ่อดูสิไปกับเราเนี่ยไว้ใจได้นะทําไมล่ะอียิปต์มีความปลอดภัยขนาดสิ่งของเนี่ยลืมไว้เหลือไว้อะไรกันแล้วแต่ส่งกลับมาส่งกลับมาถูกด้วยพี่น้องคนที่ไปขอสเสบียงอียิปต์ไม่ได้มีแค่สิบคนนะมีเยอะพราะมันอดกันหมดหิวกันหมดไปที่อียิปต์กันหมดแต่สัมภาระของเรา ถูกส่งกลับมาในกระเป๋าเป้กระเป๋าย่างของเรารี่นอนนึกภาพดูมันสะท้อนอะไรหลายอย่างฉะนั้นพ่อไม่ต้องกลัวทำไมล่ะที่อีปลอดภัยอย่าว่าแต่คนเลยสิ่งของจะไม่หายเลยนะครับส่งกลับมานะฉะนั้นนาบิยูซุปเนี่ยวางแผนไปเลย นะว่าถ้าจะไปพูดกับพ่อเนี่ยอะไรที่จะทำให้พ่ออนุญาตส่งบิญญามินมาหนึ่งแสดงความน่าเชื่อถือว่าอีบมีความน่าเชื่อถือมีความปลอดภัยบิญญามินมาไม่มีอันตรายเะเพราะสิ่งของก็ปลอดภัยอย่าว่าแต่คนนี่ฮาดิฮีบิดอัตุนารุดดัตอิัยนานี่คือสิ่งของเราแล้วถูกส่งกลับมาที่เราสะท้อนหลายอย่างนะเวลาที่จะประเมินว่า เชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้เนี่ยดูจากการจัดการตรงนี้อียิปเป็นดินแดนที่เป็นดินแดนที่ไปได้ปลอดภัยวันอเมรูอ่ะและนาวันนะฟาซุอาคอนา纳สดาดูไกลบาอีรนะครับดาเลก้าไกลุนเยซีร์พี่น้องบอกต่อไปว่าเราเนี่ยทําไมเออเอาบิญญามีนไป เราก็จะได้สวงแบ่งเพิ่มเงื่อนไขตัวนี้ไกรลุนเยซิดเป็นเงื่อนไขที่ไม่ยากไกลุนจินไม่ว่าการช่างการตวงแต่ว่าในเบริบทนี้เนี่ยนะม่ได้แปลตรงตัวแบบนั้นไม่ยากเลยแค่ส่งบิญญมีนไปแล้วเราก็จะทํำไมละ่ะได้สัดส่วนส่วนแบ่งของสมเด็จเพิ่มมาตอนนี้เนี่ยพ่อที่ไม่ส่งบิ ญ, ญามีนไปกลัวอะไร กังวลอะไรหนึ่งถ้ากังวลว่าจะเป็นเหมือนยูซุปพี่น้องไม่ดูแลเนี่ยเลิกกังวลได้เลยเพราะว่าเอาบิยามีนไปเนี่ยบินยามีนต้องปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยไปถึงอียิปต์บิยามีนไม่ปลอดภัยส่วนก็ก็ไม่ได้นึกออกไหมก็จะได้ไม่ได้สเสบียงเลยเพราะว่าเงื่อนไขไว้ฉะนั้นเงื่อนไขที่บอกว่ารอบหน้าจะมาบิยามินต้องมาด้วยเป็นตัวการันตีว่าบินยามีนต้องปลอดภัย พ่อไม่ต้องกลัวเราต้องรักษาบิญจมินสุดชีวิตเพราะว่าถ้าบิญจมินเป็นไดตา ย, ตายขึ้นมากลางทางไม่ดูแลไปถึงที่หยิบไปเปล่าวฟาวเพราะนาบียูซุปประกาศแล้วน้องไม่มาน้องมาไม่ถึงไม่ได้สเสบียงไม่กลัวประกาศอ่าประมาณนั้นฉะนั้นถ้ากลับตรงนี้กลับไปมองย้อนนบียูซุปตั้งเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขว่าพี่น้องต้องดูแลบิญจมินสุดชีวิตถ้าไม่ตั้งเงื่อนไขแบบนี้ทําไมล่ะ จะมันใจได้ไงว่าพี่น้องสิบคนนิสัยจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเคยโย น, นาห์ยิซุปลงบอเนี่ยแล้วจะทํากับบิยามินแบบนั้นไหมต้องไม่ลืมว่าไอส้สิคนนี้เนี่ยคนละแม่นะพ่อเดียวกันแต่คนละแม่ที่ว่าแม่เดียวกันแม่ราฮีนเนี่ยชื่อราฮีนมีแค่นบิยิซุปกับบิยามีนถ้าพี่น้องเป็นนบิยิซุปพี่น้องจะจะวางแผนยังไงให้เป็นหลักประกันว่าน้องบีน้องของบิยามีนจะมาเจอเนี่ยทำยากนะ อันนี้คือว่าสามารถดะบิยูซุปตั้งเงินไขว่าบิญญามีนมาถึงจะได้เสเบียงเป็นการบีบไกลไก่ว่าถ้าไม่ดูแลบิญญามีนเสเบียงไม่ได้ฉะนั้นไอสิบคนนี้ไม่กล้าทาอะไรกับบิญญามีนนี่คือดะบิยูซุปดาความคิดลึกซึ้งนะบอกกับพ่อว่าบิญญามีนเนี่ย ยังไงเราก็ต้องดูแลพ่อไม่ต้องกลัวเพราะบินยบินเป็นตัวสําคัญเลยตัวประกันเลยกุญแจสําคัญบินยบินไปไม่ถึงสเสบียงไม่ได้ใครจะว่าเดินทางจากปาเลสไตน์ไปอียิปต์เดินทางฟรีๆแล้วไม่ได้สเสบียงเป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นเราต้องดูแลบินยบินให้ดีและนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองเมื่อกี้ประเด็นคือพ่อไม่ไว้ใจเราใช่ไหมไม่ต้องกลัวเพราะบินญยญบินสําคัญเราต้องดูแล ไม่ไว้ใจสิบคนประเด็นที่สองไม่ไว้ใจที่นูน่นจะไม่อียิปต์ใช่ไหมมันอยู่ห่างไกลคนเป็นยังไงก็ไม่ทราบพ่อไว้ใจอียิปต์ได้ทําไมละ่ะนี่ไงสัมภาระถูกส่งคืนกลับมาหมดเนี่ยข้อต่อรองดูเนี่ยพี่น้องเป็นแผนของนบิยูซุปหมดเลยอยู่ที่อียิปต์แต่ว่าวางแผนไปถึงปเปอร์เซียพี่น้องคิดดู อยู่ตรงนั้นแล้วก็ทราบว่าเอถึงฉากนี้แล้วจะคุยกับพ่อพ่อจะเชื่อไม่เชื่อตั้งเงื่อนไขซึ่งทำไมล่ะซึ่งต้องเป็นไปนตามนั้นนะบญามีต้องมาทำยังไงจะเพิ่มความมั่นใจให้กับพ่อส่งสัมภาระคืนไปเป็นการยืนยันว่าอีบปลอดภัยนี่ความคิดนะบียุซุฟลึกซึงมากถ้ามองให้ดีนะฉะนั้นพ่อไม่ต้องกลัวแล้ววันนี้โอเคนะบียุซุอเดบียาุบ ก, ก็ก็คิด สิบคนนี้ไม่ทาอันรายบนเยมินอียิปปลอดภัยจริงเพราะสินของก็ถูกส่งคืนกลับมานะครับนึกภาพอบอกนาคืนี้ในอายาที่หกสิบห้าเนี่ยบอกว่าวานัสดาดูไคลลบาอรนะถ้าบินเยมินไปเราจะได้สัด ส, ส่วนเนี่ยสบเบียงเนี่ย บเอียบใบอแาานะบแาาีแปลว่าพาหนะบางคนแปวาลาไปวามาแปว่าล่ออะไรกันแล้วแต่เนี่ยหมายถึงพาหนะที่คนใช้ขนของสมัยก่อนถ้าบิยามีนไปเราจะได้สัสดส่วนเพิ่มอีกหนึ่งสัสดส่วนนะครนนี้้ามองให้ละเอียดพี่น้องแปลว่าอีบในสมัยนั้นเวลาคนที่เดินทางมาขอสเบียงเนี่ยจะให้ฟรีหรือว่าขายกันแล้วแต่หนึ่งคนหนึ่งหัวได้ เท่ากับลาลาบรรทุกหนึ่งตัวตอนนี้เราไม่เคยมีลากันแล้วเรากาไม่ออกลาบรรทุกหนึ่งตัวเนี่ยมันบรรทุกได้กี่โลใครกะกาไม่เป็นแต่ว่าไม่น้อยแหละสะเปียงที่อีบให้กับคนหนึ่งหัวเนี่ยไม่ใช่แค่สากาดพิตารนะ์นาสองโลสี่ขีสโลเจ็ดขีแ้วเดินทางไม่ใช่ลาตัวเลยต่อหนึ่งหัวเยอะไหมเยอะสะท้อนอะไรพี่น้องมองต่อไปสะท้อน การจัดการของนบยยูซุปอย่างยอดเยี่ยมที่อียิปต์มีสเสบียงพอที่จะให้คนนอกนาะไม่ใช่คนอียิปต์คนนอกเนี่ยสเสบียงเขาเรียกว่าหนึ่งคนต่อลาหนึ่งตัวที่มันทุกสเสบียงได้พี่น้องจินตนาการดูกันแล้วกันว่าอียิปต์มีสเสบียงขนาดไหนในขณะที่ประเทศอื่นอดหมดแล้วแต่อียิปต์มีสเสบียงมากขนาดที่ว่าให้ไปมาณนี้ได้ไม่น้อยนะ แล้วก็เวลาคิดสเสบียงทั้งหมดคิดตามความเป็นจริงเนี่ยประชากรอียิปต์กี่คนตอนนั้นไปทราบกะไม่ถูกแต่เราทราบว่าเป็นเป็นสังคมเมืองนิ่ามองย้อนกลับไปต้องการจะเห็นภาพไปว่าอียิปต์ในสมัยนาบยูซุปเป็นยังไงเป็นสังคมเมืองมีประชากรอยู่แบบไม่ใช่ปะปลายอะ่ะหนานแน่นอาจจะไม่เหมือนกรุงเทพแต่มีประชากรอยู่เยอะหลักฐานคืออะไรหลักฐานคือวิถีชีวิตของคนในสังคมอียิปต์ ตอนที่นบียูซุฟจะถูกนางสุไลคอตัําเนี่ยแล้วข่าวลือมันไปไวพูดต่อกันผู้หญิงในเมืองนางสุไคอสามารถระดมเรียกเชิญผู้หญิงในเมืองมาได้เนี่ยสังคมแบบนี้เนี่ยถ้าไปสังคมอื่นแบบบ้านห่างๆคนป่าไม้ทาไม่ได้นะข่าวลือที่ไปไวแล้วก็วิถีชีวิตนางสุไคอรเรียกคนหน้ามดมา และก็มีสเสบียงมีนู่นมีนี่มันสะท้อนความเป็นสังคมเมืองของอียิปต์ในสมัยนั้นประชากรอีกคนเราไม่ทราบแต่ทราบว่าไม่ใช่เมืองที่คนอยู่บเบางๆงไม่ใช่บ้านผมอยู่ตรงนี้เดินไปห้าโลเจออีบ้านหนึ่งอียิปต์ไม่ใช่แบบนั้นคนอยู่เยอะพอคนอยู่เยอะแปลว่าประชากรมีเยอะพอสมควรแล้วสเสบียงที่นพียูซุปเก็บเนี่ยพอเลี้ยงคนในเมืองตอนนั้น เยอะไหมเยอะนอกจากนี้ความเยอะเนี่ยไม่ใช่แค่เลี้ยงคนในเมืองยังกล้าพอที่จะให้คนนอกด้วยคนที่ไม่ใช่อียิปต์เดินทางมาขอสเสบียงกล้าที่จะให้แปลว่าน บ, บียูซุปทําไมเอ่ยมองแล้วว่ามันกินพอพอจงสามารถที่จะเ อ, อเื้อเฟื้อแจกให้กับคนรอบข้างพี่น้องดูการโดยหา ง, งานน บ, บียรูซุปแล้วกันเวะ ล, ะละาเรอ่านประวัติน บ, บียรซุปมันง่า ย, งายไง อ๋อเจ็ดปีอบรมสมบูรณ์เก็บไว้เจ็ดปีแห้งแรงเอามากินไม่ยากผมก็ทำได้แต่ในความเป็นจริงไม่ง่ายแบบนั้นเก็บเนี่ยมีวิธีเก็บเก็บในรวงข้าวอย่าพึ่งสีออกมาเก็บขนาดไหนจหวะที่เก็บก็ต้องแบ่งมากินด้วยแบ่งยังไงละ่ะให้มันสัด ส, ส่วนจะคำนวณยังไงดีนอนทุกภาพดูและจะดูแลยังไง คางยังไงความเขาเรียกว่าการนันไว้ใจคุณได้อย่างไงเพราะตอนที่อดอยางเนี่ยสเบียเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดขโมยกันได้ขายกันได้นบเยูซุปดูแลยังไงนี่เป็นสะท้อนได้เห็นว่าขนาดว่าแจกคนนอกได้หนึ่งหัวต่อลานหนึ่งตัวแปลว่าดบเยูซุปประสบความสําเร็จอย่างสูงในการจัดการกับสเบียงนี่คือความสามารถของดับเยูซุปไม่มีใครพูดพูดแค่รอ แต่นี่คือผลงานในมิยูซูปยิ่งใหญ่มากมิยามินถ้าไปได้ลาเพิ่มอีกหนึ่งตัวพี่น้องต้องนึกภาพว่าในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเดินทางไกลขนาดนั้นจากปาเลสไตน์มาอียิปมาเพื่อจะข้อสารหนึ่งกระสอบเนี่ยหนึ่งถุงแบบรลตั้นเนี่ยห้าโลเนี่ยมันไม่คุ้มพี่น้องเดินทางเดินไปเดินกลับสเสบียงตะก่อนมาเดินทางกันยากฉะนั้นสเสบียงที่ได้ไปเนี่ยมันต้องพอที่จะกินได้ระยะเวลาหนึง่งมันจะแจกได้น้อยแจกเยอะ นะไม่งั้นคนก็ไม่มามาแล้วไม่คุมนี่นาย บ, บิยูซุปทำได้หนึ่งหัวต่อต่อลานหนึ่งตัวนะครับอา้าวจริงๆประวัติเนี่ยถ้าเราดูแบบตามตัวอักษร น, นะสั้นๆมันก็ได้ได้ความรู้เหมือนกันนา บ, บิยูซุปเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่เราไม่เข้าใจสภาพสังคมในตอนนั้น ไม่เข้าใจว่านบิยูซุฟเวลาที่เผยแพร่อิสลามจัดการปัญหานั้นจะจัดการปัญหานี้เนี่ยมีความยากลำบากต้องใช้ความสามารถขนาดไหนมองผ่านไปหมดเลยนะถ้าแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะได้ลายหนึ่งตัวจากสัสดส่วนของบิยาบีนและกระจกกระแดแปลว่าได้ไข่สะสเบียงเพิ่มแต่ต้องมองต่อไปว่าในฐานะคนนอกหนึ่งหัวต่อลายหนึ่งตัวเนี่ยสเบียงอีนมีขนาดไหนมองกลับไปต่อไปอีก ว่าะเปียงที่มากขนาดนั้นเนี่ยทํำยังไงใครเป็นผู้จัดการน บ, บิยูซุปอะเลสลาบมัใช่แค่เก่งอย่างเดียวมีความสื่อสัตา์ไว้วางใจได้บริหารจัดการไม่คดโกงไม่นุนไม่นี่อียิปถือมีสเปียงมากขนาดนี้นะนะครับใครที่บริหารงานเนี่ยน่าจะเป็นเอกชนรัฐบาลกันแล้วแต่ดูงานน บ, บิยูซุปไว้นะครับอา้าวต่อมาอายาสุดท้ายอายาที่หกสิบหกเอาล็อกตัดด้วยว่า อโลอตัดนะครับแต่เล่าบนอ ล, ลาลิซานียกุ๊บก็คือเล่าเป็นคำพูดของนบียะกุกบก็ละนบียะกุบกล่าวว่าลันโอซิลหูมอาอกุ้มฉันจะไม่มีวันส่งเขาไปกับพวกท่านเขากือใครเขาคือบิยามีนยังไงก็มามีวันส่งฮัตตาตุตูนี่จนกว่าพวกท่านจะนำมาให้กับฉันเมาสิกรมินอลลอ สัญญาจากอัละะลอ์นะลตตตุนนีบิฮอลิลลาไอยูฮาตบิกุมนำมาให้กับฉันนะครับคืออายันตรงนี้เนี่ยสะท้อนอะไรละ่ะชรีอาบทบัญญัติการสาบานในสมัยก่อนในสมัยนี้เนี่ยเราสาบานด้วยกับพนาหอว่ลอลฮี นะสาวานตต่อรอเลยผมจะไม่ทําแบบนั้นนะนี่เป็นชรีอาแบบอิสลามแต่ว่าในสมัยก่อนเนีสมัยปณยัณิสอรินเนี่ยชรีอาบางอย่าง่ลักษณะมันต่างกันไปอย่างการถือศีอดเนี่ยเราทรารบว่ากมามุติบาทําไมอะ่ะเหมือนกับที่ถูกบัญยัติมาอัลลลีนัมินกอบเดกุ้มก่อนหน้านี้แปลว่าก่อนหน้านี้มีชรีอาการถือศีอดเหมือนกันแต่ลักษณะต่างกันสมัยปณยสิสอทรินห้ามพูดเลย เป็นสียามหรือสิโดเหมือนกันสมัยนี้พูดได้พูดถึงสิ่งที่ดีการสาบานในสมัยนี้กับสมัยก่อนก็ต่างกันจุดเหมือนคือเอาอรรถมาสาบานเหมือนกันแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเมาสี่กรเนี่ยนะครับขออธิบายว่าเวลาจะสาบานในสมัยก่อนต้องมีสิ่งของคําประกัน สิ่งของซึ่งเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นจะเป็นแหวนเป็นอะไรก็แล้วแต่ค้าประกันเพื่อยืนยันว่าสาบานกับลอตด้วยนาะแล้วก็มีสิ่งของค้าประกันด้วยอินลาไอายูฮาตอปิคุ้มถ้าไม่ทําตามที่สาบานไว้ทําไมล่ะหนึ่งสิ่งของตัวนั้นจะไม่ได้คืนยึดไปด้วย2องไอยูฮาตอปิคุ้มเนี่ยแปลว่าอัลลอตก็จะทําไมเอ่ยลงโทษทําลายผู้ที่สาบานด้วยเป็นสองค้านั่งเลย สองสองขสองชั้นเอาทรัพย์สินมาสาบานด้วยนะแล้วก็เอาเอาลัลลอฮ์เอาพระเจ้ามาสาบานด้วยสมัยนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วสาบานก็คือสาบานอาลัลลอฮ์กับคุณแล้วการสาบานโอเคแต่คุณสาบานผมเชื่อแต่คุณผิดอลัลลอฮ์ลงโทษแต่ในสมัยก่อนมีสิ่งของด้วยนะครับมอสิกอนเนี่ยมากออนทุญาตเป็นสิ่งของนะคันนี้พ่อเนี่ย เวลาพิจารณาใจเหตุผลแล้วการส่งบิญญมีนไปทําได้เพราะทําไมล่ะบิญามินต้องปลอดภัยทํำไมปลอดภัยสะเบียงไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้แค่ส่วนเดียวนะไม่ได้ทั้งสิบส่วนเลยสิบเอ็ดส่วนไม่ได้เลยประการที่สองประเทศอียิปต์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยส่งไปแล้วไม่ใครจะมาทําลายเนี่ไม่มีหรอกเพราะว่าสินของอยังได้คืนนะด้วยเหตุผลเนี่ยทําไมเอ่ยสบายใจแล้ว ปลอดภัยแต่ว่าพ่อเนี่ยขอให้ลูกๆทั้งหมดทําการสาบานอีกครั้งหนึ่งสาบานอย่างจริงจังเลยไม่ใช่สาบานแบบพูดๆเฉยๆนะสาบานอย่างจริงจังเอาสิ่งของมาค้าประกันกันเลยว่าถ้าไม่ทําตามคำสัญญาเนี่ยสิ่งของถูกยึดเท่านั้นไม่พออลัลลอ์ก็จะลงโทษด้วยพ่อนายบียากุบเสนอแบบนี้เลยคือต้องมองทั้งสองฝ่ายนะหนึ่งนบียกุบ กลัวไม่กลัวลูกที่รักเนี่ยเหลือแค่บินยามียนเสียยูซุปไปแล้วเนี่ยอาจจะตายกันแต่คน30กว่าปีไม่ได้ข่าวในพี่น้องผมก็คิดว่าตายนะแล้ววันนี้เหลือบินญามียนคนสุดท้องเนี่ยรักขนาดไหนถ้าจะปล่อยไปทุกอย่างต้องมั่นใจว่าปลอดภัยเนี่ยนบิยาคุปกระทาหลายขั้นตอนเหมือนกันนี้ในใ น, ในด้านของนบิยากุปในด้านของพี่น้องไอ้สบีเงี้ยที่เอามาเนี่ยหนึ่งคนได้สบียเท่ากับลาบรรทุกหนึ่งตัว รอบนีไ้ได้มาสิบได้มาเท่ากับลาสิบตัวสเบียงเน่ะปริมาณได้เท่ากับนั้นกินมันจะกินได้ไม่ตลอดนะกินได้ช่วงระยะโอลานหนึ่งยังไงก็ต้องไปอียิปต์ใหม่ไปขอใหม่ยังไงต้องไปขอใหม่แล้วเราทราบกันวเนี่ยว่าไอ้ความแหางแล้งที่เกิดขึ้นในพีน้องไม่ใช่เจดวันนะ่ะเจ็ปีสเบียงลาหนึ่งตัวกินได้กี่เดือนละ่ะคิดกันไปแล้วกันยังไงก็ต้องไปอียิปต์ใหม่ฉะนั้นเงื่อนไขที่เขาได้มาเนี่ย น้องต้องไปด้วยยังไงต้องดูแลเบญจมิ น, นเหตุการณ์มันแค่เรื่อว่ามันสัมพันธ์กันหมดพี่น้องทํา ไ, ไงครับฟดัดามมาอาตาหูเมาที่กอหุ่มเมื่อพี่น้องได้นําสิ่งของตัวนั้นมานําสัญญามาแปลว่าพี่น้องทำไมเอ่ยยินยอมทั้งหมดเลยที่จะสาบานกับนบียกรุปอะลัยส์ซาบะอะลัยส์ซาลามสาบานกับอัลลอฮ์นี่แหละแต่ว่าสาบานกับพ่อ แชร์ล้อเป็นนามที่นในการสาบานกอล้อลอหูนาอลามาโนกูลูวาคินก่าวว่าทําไมเอ่ยกอล่าคายกาวลาเบียากุบวลานั้สิ่งของมาแล้วไอการสัญญาเนี่ยมันก็จะแค่ยๆจะสมบูรณ์แหละแล้วก็ปิดท้ายประโยคสาบานก็คือว่าอัลลอฮ์หูอลามาโนกูลูวาคินอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่เป็นพยานเป็นวาคิน เป็นผู้ที่ดูแลเป็นผู้ที่เป็นประจักษ์พยาในให้กับสิ่งที่เราพูดในวันนี้นี่สาบานกันจริงจังเลยพ่อสาบานกับลูกสิบคนนะในอายะที่หกสิบสามเราเห็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวว่ามีการพูดคุยมีการเล่าเรื่องกันในอายะหที่หกสิบหกเราเห็นเหมือนกันว่าในแผลในใจในวิญาณครูก็ยังมีความเครือบแคงต่อลูกทั้งสิบคนอยู่เป็นความสัมพันธ์ นึกภาพออกไหมยังมีแผลในใจอยู่ฉะนั้นต้องสาบานพี่น้องก็ยอมสาบานแล้วก็พิธีสาบานก็คือว่าอาลัลลอฮฺเป็นพยานในสิ่งที่เราพูดต่างจากการสาบานในในปัจจุบันปัจจุบันไม่ได้มีลักษณะแบบนี้วอลลอฮฺฮี่กัวอลลอฮีอัล ล, ล, ล, ลอฮฺเป็นพยานจบในสมัยก่อนเอาสิ่งของแทนตัวมาดุนมานี้แล้วก็เป็นจีบเป็นจังนะปกติเนี่ยคนในครอบครัวเวลาพูดกันเนี่ยมันจะไม่จริงจังแบบนี้นะ เวลาไปยืมตังค์คนอื่นเน่ยพี่น้องจริงจังนะไปยืมตังค์แม่ยืมตังค์งพี่เนี่ยยืมตังค์น้องจริงจังไหมไม่ค่อยจริงจังทําไมเราเป็นคนในครอบครัวกันเองเบี้ยวหน่อยช้าหน่อยมากไม่ว่าเดือนนี้ไม่มีได้แต่จะเป็นคนอื่นเน่ยโดนดา่าคราว น, นี้แล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวนะ่ะพี่น้จนกระทั่งวันในครอบครัวกันเองเนี่ยวัเราจะพูดจะสัญญากันต้องสาบานเต็มรูปแบบขนาดนี้นะแปลว่าพี่น้องทั้งสิบคนก็เสียความ ไว้วางใจไปในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่คือเนื้อหาที่นำเสนอในวันนี้นะครับในช่วงท้ายของเวลาประมาณห้านาทีสิบนาทีจริงๆเนี่ยนะครับผมจะทวนจริงๆเนื้อหาเนี่ยไม่ไม่ซับซ้อนเลยจะพูดแบบครึ่งนาทีจบก็คือว่าพี่น้องกลับไปหาพ่อขอบิญยามีนมานบิญากุปให้สาบานสามประโยคจบเลย นะจำเอาแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเวลาเป็นตัปซีนเนี่ยนะครับนักวิชาการอุลมะสมัยก่อนเวลาดูคำพูดของร้อนเนี่ยเขาให้ความสนใจเก็บรายละเอียดหมดเลยเอ๊ะทำไมก็อ่านถึงเล่าแบบนี้สะท้อนอะไรให้แง่คิดอะไรนะใน social youtube เเห็นความละเอียดของนักวิชาการสมัยก่อนสังเกตว่าเวลาพูดถึงผู้ปกครองอียิปต์ใช้คําว่ามาริกอียิปต์เหมือนกันในสมันยนั้น y o u t u ใช้คําว่ามาริกแต่ถ้าเป็นผู้ปกครองอียิปต์ในสมัยนั้นเมูซาใช้คําว่าเฟร์อา ก็อ่านใชจคําต่างกันมีนัยยะสําคัญอะไรไหมพอไปดูประวัติศาสตร์เจอเหมือนกันการปกครองมันเปลี่ยนไปอาณาจักรข้างล่างมาเขาเรียกว่าตอนสมัยนบีย่างกุ้เนี่ยนบียูซุฟอยู่เนี่ยมันเป็นอียิปบนอียิบล่างแยกกันอยู่เวลาผ่านไปสมัยล่างเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาเกือ้ออาณาจักรข้างบนผู้ปกครองกา ร, ปรเป็นเฟร์อาว์ในสมัยนบีมูซาคนละระบบกันนะ ครนี้ถ้าเราอามาดูในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์สั้นๆแต่ก็อา่านเลือกที่จะเล่าโดยเลือกใช้คําที่ละเอียดฉะนั้นเวลาอา่านก็อา่านพยายามมองต่อไปว่าเอ๊ะก็อา่านเลือกคําแบบนี้เป็นยังไงจากคําเช่นคำว่าใแบบีแปลว่าทําไมลาแปลว่าผานะที่ตวงเนี่ยถ้ามองแค่แค่ปริมาณก็จบแค่นั้นแต่ถ้ามองให้ลึกว่า ถ้าอีบมีความสามารถให้สะเบียงได้ในระดับนี้เนี่ยสะท้อนอะไรบ้างสะท้อนปริมาณสะเบียงที่มีในอิบเยอะขนาดไหนให้กับคนนอกได้ขนาดนี้สะท้อนความซื่อสัตย์ความสามารถของนบิยูซุปในการดูแลครังที่มีสะเบียงเนี่ยเป็นผลงานนายบิยูซุปล้วนๆนะไม่ได้มีใครเลยแต่กษัตริย์กับผู้ปกครองก็นึกไม่ออกเอาอยัางไงดีฝันแบบนี้ปรึกษาคนรอบข้างก็ไปไม่เป็น ที่ทำได้แบบนี้น บ, บียูซุฟล้นล้วนนะแน่นอนอาเล่าให้แต่ว่าเป็นความสามารถในการจัดการโดยหานน บ, บียูซุฟอย่างเดียวสิ่งตรงนี้เป็นการยืนยันถ้าพี่น้องจำได้ประมาณสามสัปดาห์ที่แล้วน บ, บียูซุฟบอกว่าอเจ้านีอัลาฮ์ขวายัน อ, อันนอดีแต่งตั้นฉันสี่ในการดูแลคังของแผ่นดินฉันเป็นผู้ที่ดูแลได้เป็นผู้ที่ทาไมเป็นอมบินไว้วางใจได้ คำพูดนบิยูสุขนะเหตุการณ์ผ่านไปผลงาน ต, านตนัวนี้สะท้อนว่านาบิยูซุขทาได้แบบที่พูดในอิสลามไม่ห้ามนะแต่คนมีความสามารถจะเสนอตัวเองเนี่ยลงรับเลือกตังนี่ไม่ห้ามนะแต่ว่าทําได้ไหมนบิยูซุขไหมเนบิยูสุขบอกการกษาจดอยตรงเลยแต่งตั้งฉันสิให้ดูแลคังเป็นแผ่นดินฉันดูแลได้ฉันไว้ใจได้แล้วก็เวลาผ่านไป สะท้อนว่านาบิูสุประสบความสำเร็จดูจากไหนล่ะดูจากปริมาณของของสเบียงที่มีนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยลูกเรียกลืมเลยนะเอ อ, อนนี้ไปการทวนนะครับเมื่อกี้พูดถึงปริมาณที่กรณีของตัวอ่านเลือกแช้กคำที่ละเอียดสเบียงเท่ากับลานหนึ่งตัวสะท้อนอะไรหลายอย่าง นบียซุบบอกว่าฉันดูแลได้ฉันทําได้แล้วก็ทําได้จริงในยันที่หกสิบหกนะครับนบียากุขอให้พี่น้องขอให้ลูกทั้งสิบคนสาบานแล้วสิบคนนั้นก็สาบานเราก็เห็นภาพบรรยากาศในครอบคบรัวนบียากุอีกแบบหนึ่งมีการพูดคุยกันระหว่างพ่อกับลูกไม่ได้โกรธกันไม่มองหน้ากันเลยมีการพูดคุยกันแต่ว่าในฐานะที่เป็นพ่อไม่ลืมลูกทําอะไรไว้นะ่ะเนี่ยเคยทําให้เสียใจเอาน้องเสียบไม่ดูแลน้อง เออนบียะกุ๊บไม่ลืมนะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรกับพ่อกับแม่เนี่ยพ่อแม่ไม่ลืมตอนเด็กๆที่พูดอะไรไว้เนี่ยพ่อแม่ไม่ลืมแต่ว่าพ่อแม่เลือกจะให้อภัยฉะนั้นเวลาทําอะไรเนี่ยบางทีคนอื่นลืมไปแล้วแต่บางทีพ่อแม่เสียใจบางอย่างนี่อยู่ในใจไม่ลืมแต่ที่ไม่พูดเพราะพ่อให้อภัยนะครับใครที่พ่อแม่ยังอยู่นะยังไม่เสียจะทําอะไรไว้เนี่ยนึกประวัตินบียะกุ๊บนบียูซุบ30มสกว่าปีสี่กว่าปียันตายแหละไม่ลืม อยู่ที่ว่ารักครูมากก็เลยให้เอาภัยนะครับลืมไม่ไม่ลืมฉะนั้นอย่าทําให้เสียใจเอ้าวฝากไว้เท่านี้ครับว่าบิลไลตอฟิกวะนฮิฮายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะราะกาตุฮ